ขอเจริญพรมายังญาติโยมสิทยญาณุสิ์ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีนะเป็นโอกาสดีอ่าหลวงพ่อไม่มาจึงได้มาพูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายฟังแทนมวยแทนมันก็นสนั่นแหลนะน้อแม่นะ้ <c oughs> องก้งแต่ว่ามวยแทน <c oughs> วันนี้จะโคดเรื่องทำสี่อย่างที่ทำให้เราเป็นพระโสดาบันเอาชื่อให้ได้เด้อจังไดสิได้เป็นพระโสดาบันมาเนี่ยโมดเป็นยากด้วยตั้งใจล้วก็เป็นได้เลยเลดทำสี่อย่าง เป็นฉไหนทำสี่อย่างที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ก็ทำให้เป็นพระโสดาบันฟังให้เข้าใจได้ก็ได้บัด น, นี้และพระโสดาบันนะทำสีอย่างได้แก่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาจาได้หรื อ, อยาง ศรัทธาศีลจาณะปัญญาทำสี่อย่างนี่แหละถ้าไปประกอบอยู่สถิตอยู่ที่จิตที่ใจของเราท่านทั้งหลายเราก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันน ะ, ะพระโสดาบันนี่ <c oughs> มันมีอยู่ สามประเภทไม่ใช่มีประเภทเดียวนะสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสัตตขคตุปลมะสัตตคตุปลมะสัตตะสัตตมาจากคําว่าสัตตะ สัต ด, ดาแปลว่าเจ็ดองนี้สัตต์ตักขัตตุปรมะองค์ที่สองโอลังโกละองค์ที่สามเอกาพีชีผู้ใ ด, ดอยากเป็นองค์ไดนฟังเอาบัาน <c oughs> สัตต์ตัก คัตตุปลมะนี้ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาศีลสองอย่างนี้มีศรัทธาศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัศรัทธา เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาคำว่าเลื่อมใสในไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามันศรัทธาบักนุนเลยเคยเห็นบักนุนบ่างไหมคุยนุนแหม ตาแข็งแข็งเนอะล้มพัดไปทางไหก็ไปศรัท ธ, ธาบักนุนนะศรัท ธ, ธาบอดเต็มลอยศรัท ธ, ธาเขาเอื่นไปทางไหก็ไปนําเขาเอืน่นศรัทธาบักนุนศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวยังลงลึก เ, ลเลกเป็นมูลเป็นลากบเป็นมูลเป็นลากเคื่องลากแกว ลมลมพัดกับลมกันบ่มีหากแก้วเนี่ยเส้นศรัทธานี่ต้องเชื่อมั่นในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดแสดงไว้ตีแลว้วเชื่อแน่ว่าหากผู้ใดนําเอาพระธรรมคำสอนของท่าน อ่ตัดไว้นั้นไปประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้เป็นพระสงฆ์นั น, นเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงอ่นี่ตัวศรัทธานี่สำคัญนะยังมานั่งอยู่เนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาเราไม่มานั่งเราบอบไมน้าเขาอ้อจ้อยมือนี ไช้สวนกับติดติดค่าอันนั้นอันนี้อยู่เดียวละหาเรื่องอันนั้นสศรัท ธ, ธาว่ามีกันศรัท ธ, ธามีแล้วเออได้ยินมากมากอยากมากฟังลงพออินเท่าไว้่พันว่ามาลัางผ้ากันมากนอนนี้ตัวศรัท ธ, ธานี่สคัญนะแม้แต่เร า, เาจะทำบุญทำทานส้างศรัทธาเราไม่ แก่กล้าศรัทธาไม่พอกอ็อย่างว่านี่นะศรัทธาหัวเต่าเคยเห็นหัวเตาวงมาเจา้างกเขา่างบออกเพราะรอเพราะรอใช่ไหมล่ะศรัทธ า, าตัวนี้สําคัญ่ศรัทธาเนี่ยเข้าใจเรื่องศรัทธาเนาะศรัทธาแก่กล้าม่าเมื่อ น, นี้มีศรัทธาแล้วว่าต้องถามหาศรัทธาเมื้อ น, นีอ้เป็นผู้มีศีลเนี่ย ศีลศีลศีลเราก็มีด้วยกันหมดทุกคนทุกท่านนั่นแหละอยู่นี้ศีลของกายศีลของวายจาศีลของใจศีลเยญจไก่เลยศีลของกายศีลของวายจาศีลของใจพูดง่ายๆก็คือศีลห้านี่แหละอ่า ไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกลางนี่ก็เรียกว่าศีลของกายแมนบอกศีลของกายไม่เอากายไปทําบาปทุจริตสามอย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกางศีลของวาจาไม่เอาวาจาไปพูดบาปทุจริต สี่อย่างเนี่ยคือพูดปดพูดสอเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไล่ละอันนี้ก็มาอาจจะไม่เข้าเข้าใจตรงพูดส่อเสียดสอเสียดนี่ยผมจะบอกทั้งนั้นฮะส่อเสียดคืออะไรพูดยังไงจึงเรียกว่าส่อเสียด อะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจจะไปพูดส่อเสียดเขานะอะ่พูดส่อเสียดคื อ, อยุยงให้สังคมเขาแตกเล่าสามาธีกันอ่ายุยงให้ครอบครัวเขาแตกเล่าสามาธีกันหมู่พวกแตกเล่าสามาธีกันไปหาคนนั้นก็ไปซอเขาวัวตัวเป็นนักสันเด้เฮ้ยคุณนน่ะ หลายหาเมียเขาก็วางสีมหาพวกเขาก็เมียตัวไปจัง้งทั้งที่นี่เขาเรียกว่าพูดส่อเสียทําให้คนแตกเล่วสามัคคีกันทั้งทั้งที่เขาเอาไม่สามัคคีกันอยู่เราก็ไปพูดสอเสียหนุยงส่งเสริมให้เขาเข้าใจพูดส่อเสียมาพูดคำหยาบเนี่ เอาใจง่ายพูดเพื่อเจิดแล้วไหลไหลสะละเคยได้อ่านนิทานเด็กเลี้ยงแก่ไหมฮะเนี่ยพูดเพื่อเจอดแล้วไหลไหลสะละนี่แหละศีลของวาจาไม่เอาวาจาไปพูดบาปพุทธจลิศสี่อย่างพูดปดขี่ตัวนั้นพูดส่อเสียดยุโยงเขาแตกแล้วสามาญคีกันพูดคําหยาบ ว่ามันเบาหยาบเฉยๆเนี่ยก้อนศีลคนเนได้ใส่กันอ่กันได้ถึงคำหยาบถือขวอนถือใหม่พนไน้่นั่นล่ละพูดคำหยาพูดเพื่อเจอแล้วไหลอันที่สามคือศีลของใจศีลของใจออคือไม่เอาใจไปคิดในแง่บาปทุจริต บาปทุจริตคิดยังไงคิดโลภอยากได้ของเขานั่นแหละให้คิดโลภอยากได้ของอของวันนี้อยากได้สมาธิภาวนาก็ทําเลยเอาสอดแจ้งคนถ้าเป็นโลภอยากได้ของคนอื่นมันจะผิดศีลผิดธรรมไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่น เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอ่าสัมมาทิฏฐิคืออย่างยันรับตาเนมมากเ่สัมมาทิฏฐิคืออะไรฮะแปลออกไหมล่ะสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องความเห็นตรงความเห็นถูกต้องความเห็นชอบ แมนบอกแปลว่างั่นบอกความเห็นชอบเห็นยังไงเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แจ้งอีกอนี่แหละสัมมาทิฏฐิผู้ใดเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้ว มวยจะกุจะบาปหวยจะโทษจะคุณโวยจะบุญจะบาปนั่นละ่ะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปิตอบายพุะผู้ผู้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจสัมมาทิฏฐิบ่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แจ้ง อันนี้ก็เรียกว่าอาศีลของใจผู้ใดเป็นสมาธิที่แล้วปิดอบายภูมิได้เป็ น, ปาา ย, าปนยังจังปิดได้นะทำไมถึงปิดได้เพราะเรารู้จักบาปจะกบุญแล้วไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แก้งอีกแล้ว ยังปิดอบายภยูมิให้เจ้าของอ่านี่พระโสดาบันองค์แรกหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาได้แล้วศรัทธาเนี่ใช่ไหมศรัทธาก็ามานังอยู่นี่ยอันว่ามีศรัทธาทวามานังอยู่นี่อ่อยจอยส่วนมาได้บบานกับว่ามาไปเฮ็ดยังพันว่า ไปกินไปท่านเพรเห็นมันไหนยังมาอย่างเทาดอกไปเอาบุญเพราเห็นมันจิตไหม่จิตมือจ๊คว่าบุญยุไสแลยเหรอเพื่อนเขาไปทำบาปนี่ไปกินเหล้าเมาสุราไปฟาสันลักษั์ไปง่ายหมดยุไสเลยะหือเออนี่เข้าใจนะอ่าศรัทธาศีล ศีลของกายศีลของวายจาศีลของใจหรือท่านเรียกชื่อหนึ่งว่าอริยะกันตศีลเคยได้ยินบอกฮะอย่านอนเด้ทั้งนั้นอย่านอนได้นนไดเป็นพระสดาบันให้ได้เดี๋ยวนี้เออมันสิเสียบเปรียบเขาอ่ะเสียบเหยียบพี่น้องเขาอ่าสัตดักขัดตุปรมานี่เป็นได้เดี๋ยวนี้อะ ศีลอริยะการตะศีลศีลที่ว่านี้เป็นศีลอยู่ในมรรคแปด่นจึงเรียกว่าอาริยะการตะศีลผู้ใดนําเอาศีล น, นี้มาประพฤติปฏิบัติได้เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นม้าทันที่เป็นศีลที่ยินดีพอใจ ของพระ อ, อริยเจ้าทั้งหลายศีลในมรรคแปดสัมมากัรมันโตนี่กานงานชอบไม่ค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนิการในการงานชอบอ่าสัมมาวาจานี่ไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพื่อเจริญเรื่อยๆเขาเรียกว่วาศีลอริยมรรคเมื่อจักอริยศีลไปไปไหนะะีรับศีลที่อยู่ในมรรคแปด ท่านเรียกว่าอาริยะกันตศีนศีนที่ยินดีพอใจของพระอาริยเจ้าทั้งหลายหรือท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากุศลกรรมบทสิบเคยได้ยินบ่ฮะกุศลแปลว่าเอาผู้ใดแปลได้อะมีผู้แปลได้บ่ล่ะกุศลแปลว่าฉลาด ยิ อ, อให้มันได้เนี้แล้ววันมันรับดาฟังเลยคุศนกรร ม, มบทสิบอย่างคุศนแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกะระทาบทแปลว่าทางแปลได้ไหมทางกะระทาของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ก็ทาลงในศีลนี้ศีลนี้มีอยู่สิบอย่างจึงเรียกว่ากุศลกรรมมบทสิบนะกุศลกรรมมบทสิบกายกรม 3, ยกรมสามวหวจีกรรมสี่มโนกรรมสามจำได้ไหม กายกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกางวจีกรรมสี่ไม่พูดปวดพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพื่อเจย์เลวไหลไหล่สาะระมโนกรรมสามไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมหรือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แกงเราก็ได้เป็นผู้มีกายดีเออง่ายป่าเนี่ยกายดีเมื่อว่านี่สร้างหัวมันเดี๋ยวนี้ดีว่าเดียเ๋ยวนี้กายดีว่าเดียเยยดเด๋ยวนี้กายดีไหมเดียวนีฮะ ว่าจาดีใจดีที่หลวงตาแจกถุงไปนั่นนะผู้ใดถือถงอันนั้นได้เป็นพระโซดาบันรถง่ายว่าหลวงพ่อว่าฮงกายดีวาจาดีใจดีเมื่อมันดีแล้วก็ดสะอาดจนกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาด เมื่อวันสะอาดแล้วก็ ก, กายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐยกกายข้ามโคตรปุตุชนยกวาจาข้ามโคตรปุตุชนยกจิตข้ามโคตรปุตุชนเราก็ได้เป็นอริยชนหรืออริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐอเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาบุคคลผู้ประเสริฐ ได้เป็นพระสดาบันองค์แรกอ่าเป็นนิยตโตบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุคติหรือเรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเข้าใจวะอ่าเป็นได้ไหมสุปฏิปันโนไม่ใช่เป็นสวดเอาทุกวันสุปฏิปันโนเพราะขวโตสาวกสังคโฆว่าอยู่มืดมือไม่เป็น ว่าอยร่อยแปดเทียกันยังบอเป็นสุปฏิปโนไล้สุปฏิปโนนี่แปลว่าผู้สงสาวกของพระพุทธเจ้าหมใดปฏิบัติดีแล้วนั่นอะไรดีฮะอะไรดีบ่าปากแล้วบปากแล้วเป็นนอนได้บ้านเลยูใดบอปากเป็นนอนได้บันเล กายดีเนี่ยเข้าใจว่าล่ะวาจใดีใจดีก็เป็นผู้กายสะอาดวายสะอาดประเสริฐขึ้นมาผู้ประเสริฐก็เรียกว่าอาริอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐอาริอาริารแปลว่าข่าศึกศัตรูเอ่อหรือว่ากิเลยยะแปลว่าไกล อ่าเป็นบุคคลผู้ไกลจากกิเลสคนเรียกว่าอาริยะบุคคลง่ายกว่าหลังนี่ฮะเป็นได้ไหมหล่ะที่นี่ฮะกายดีสำหรวจเจ้าของแล้วบาตรหากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกินเจ็ดชาติก็เข้าสู่พนิพพานง่ายบอเนี่ยพอฮะล้าเป็นบอ ก็ต้องไปห่วงดอกอเถ้าโยนเงี้ยนน่ะมีเมียยกับเป็นได้พระโสดาบัน่ทั้งนี้ก็เพไปห่วงดอกพ่อปานอ่มีผัวกับเป็นได้พระโสดาบันเป็นบ่ได้เจ้าพระนา้าข้าพระลังหันทนันแล้วพระหน้าข้าบ่มีลูกบ่มีบ่มีผัวมีกับโยนน้ากันซื้อคื อ, อพี่คือนองอคือควอยคื อ, คองวดตอนแล้วนี่ นะะ่าข้ากายาดีวาจาดีใจดีเราก็ได้เป็นอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐกายเสรฐวาจาเสรฐใจเปรฐง่ายสิเป็นได้ไหมทั้งนีง้นะเป็นได้ไหมโอ้ยอนุโมทนาสาธุอ่า เหตุอันใดกบฏทอได้เปลี่ยนพระโสดาบันเมื่อนี้เพราะพระโสดาบันปิดอบายยปุ่มได้แม่แต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือพระมหาจั ก, กรพรรดิก็ไม่เท่าพระโสดาบันพระมหาจักรพรรดิอาจจะไปตกอบายยปุ่มพบใดชาติหนึ่งก็ได้เพราะไรว่าส่วนพระโสดาบันรับประกันเลย จะมาท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์หรือมนุษย์ไม่เกินเจ็ดพบเจ็ดชาติก็เข้าสู่พระ น, นิพันนั่นเรียกว่าสัตตักสัตตักสัตตักไม่กล่าวคำว่าสัตตะแปลงออกได้ฮะเพราะหักใจสัตตักสัตตะนี่มันไม่ยังไงพระโสดาบันองแลนี่ท่องเที่ยวอยู่ในเจ็ชาติในสวรรค์หรือมนุษย์อ่าเมื่อวาน อดีตไปแล้วไม่ต้องเอามาเอาตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ปัจจุบันนั่งอยู่นี่เลยไอ้ดีหรื อ, อยังเหรอวาจาดีหรื อ, อยังใจดีหรื อ, อยังไปประเสริฐหรื อ, อยังวาจาประเสริฐหรื อ, อยังเนี่ยเอาใช่นีมเมื่อวานนี้ปล่อยทิ้งเป็นอดีตแล้ว จะชั่วก็ชั่วไปแล้วจะดีก็ดีไปแล้วไม่ต้องเอามาของเกา่าไม่ต้องเอามายุ่งเกี่ยวอ่ า, อานี่ก็ได้เป็นบุคคลผู้บันเสดเรียกว่าพระโสดาบันอริยาบุคคลนี่ประเภทแรกองค์แรกพราก็เหมือนกันนะโยมเราก็เอาศสี้ยนห้าบวกกุศลกรรมบทสิบ ก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นตน้นพระก็เอาสีลสองรอยยี่สิบเจ็ดบวกอุศลกรรมาบทสิบจึงได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นขึ้นมาสีลหาสีนแปดสีนสิบสีนสองรอยี่สิบเจ็ดีประเภทนี้สีนสังคม้าเอากุศลกรรมาบทสิบมาบวกใส่ จึงจะได้เป็นอริยาบุคคลภากันเข้าใจได้ภาก็เป็นภาอยู่ใช่นนั้นนะ่ะสองร้อยี่สิบเจ็ดก็สองร้อยยี่สิบเจ็ดอยู่นั่นแหละห้าก็ห้าอยู่นั่นแหละถ้าไม่เอากุศลกรรมาบทสิบอันนี้พูดย้ำให้เป็นองค์แรกได้เสียก่อนเอ้ยคือดีใจเดียบานไหมเรื่องคนตกมาบห่อนเป็นไง ดีใจน้าพี่น้องได้เป็นพระสดาบันดอกสาธุขันขันสงสัยขันบ่เข้าใจอันนี้มันเว้าพื้นแจงหมอนย่่อป่อส่วนหลายขันยั่งบ่สงสัยอยูน่นี่มาถามต้อนหนาเลยเฮ็ดจังไหนผู้ขาจังสิได้เปลี่ยนพระสดาบันเฮ็ดจังไดนผู้ขายจังสิปิดอบายจะพุ่งได นั่นได้ยินไหมอย่างอืองค์คุเรมานไล่ตามฆ่าพระพุทธองค์อยู่นะพระพุทธองค์ว่าเราหยุดแล้วอยู่แล้วพระพุทธองค์ใช้อิทธิฤทธิปฏิหาร เ, เดินเฉยแผ่นดินมันยืดออกองคุเรมานวิ่งยังไงก็ไม่ทันหยุดหพระพุทธองค์วาหยุดแล้ว หยุดแล้วได้ยินไหมหยุดทําไมถึงเดินอยู่ว่าองนั้นนะลองไปด่าพระองค์ทําไมเดินอยู่ต้งหยุดยังไงเดินอยู่พอองค์ปิมาณเหนื่อยเต็มที่พระบุญญากรู้จักว่ามันทํำอะไรไม่ได้เราเพรแรงหันมาเราหยุดทํากรรมั่วเข้าใจไหมหยุดทําบาปแค่นั้นแหละ องคุเรมันสะดุ้งมีแต่เราเนี่ยทำบาปอยู่จึงตัดสินใจหยุดในขณนะ น, นั้นเองก็ได้เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาทันทีแทนที่คาค้นเป็นร่อยเป็นพันยังบ่ไปตกอยู่อบายอยู่พ่มอยู่นะหนะยุดทำกรรมชั่วแล้วนะหยุดทำบาปแล้ว อันนี้เข้าใจนะองค์ที่แรกที่ที่นี่จะพูดองค์ที่สอเข้าใจพักไปองค์ที่แรกเป็นได้ไปได้แล้วเนาะโอ้ดีใจดีใจอนุมโมทนานะองค์ที่สองท่านเรียกว่าโกลังโกละโกลังโกละมาท่องเที่ยวโกลังโกละอยู่ใน มนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกินสองชาติสามชาติโกลั่งโกละหมายถึงว่าท่องเที่ยวยุ่ในมนุษย์หรือสวรรค์บ่เกินสามสามพบสามชาติก็เข้าสู่พระนิพพานองค์นี้ก็ต้องมีพื้นฐานมาจากองแรกนะต้องดำเนินมาเป็นผู้มีศรัทธามีศีล สี่ห้ากุศลกรรมบทสิบแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมอันนี้แหละมันเป็นจต่เหตุบ่ใดอยู่เพราะว่าดวงตาเห็นธรรมใจนี่เห่าลดมันอย่าง น, น้ธ ร, รมเหนยังไดทสิเห็นนอกน ะ, ะมันไม่ยากดรอกจะพูดให้ฟัง <laughs> อธิบายให้ฟังคำว่าทำนี่คืออะไรเนาะดวงตาเห็นถ้ำเหม็นอย่างนอแค่เนี้ยเห็นถ้ำเหม็นเห็นอี๋ย่างเห็นทำไม่ยากดวงตาเห็นทำถ้ำ ท, ทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจง่ายเ บ, บาไปนะี่ทำไมาชาติ เห็นกายกับใจเป็นธรรมชาติดวงตาเห็นธรรมพ่อพ่อจะได้ไหมองค์เนี่ยเห็นธรรมดาธรรมดาคือกฎใจลักน์่างอานิจจังทุกขังอนัตตาธรรมทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจกายกับใจ มันเป็นอย่างจังจีเห็นว่าทำเห็นทำในกายของเรานี่มีตาบ่มีบ่ตาไงตามีไหมอามีหูไหมมีจมูกมีลิ้นมีกายใช่ไหมนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละพอตาไปมองเห็นลู วิญญาณตารู้ขึ้นก็รู้ว่าเห็นคนนั้นเห็นอันนี้ขึ้นมาเห็นแล้วมันเป็นยังไงฮะทังนั้นเขาใจว่านี่ยน่ารับไ้เนี่ยนะพอเห็นรูปแล้วมันเห็นรูปสวยๆมันก็ดับเห็นแล้วมันก็รูปผ่านไป มันดับหรือไม่ดับฮะมันดับหรือไม่ดับเอ้ยถามโาปากเลยว่าเท็ตรอไปเสเดียวเลยว่าเข้าใจด้วยนีย่ยตายเห็นรูปมันเกิดเห็นแล้วว่ดับเนี่ยขันห้าเกิดดับเป็นยังว่าขันหานี่เห็นกายกับใจเกิดดับเห็นธรรมะดาเห็นรูปธรรมนั่งธรรมอิงอาศัยกันเกิด เกิดแล้วก็ดับตาก็คือรูปอ่าวิญญาณตาก็คือหน้ามันเห็นรูปเราก็วบอกกันเราก็เกิดแล้วก็ดับเอาใจเกิดดับไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเหมือนท่านพ่อสวดไว้ว่า้งสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะ ไม่เที่ยงเพื่อนถามปัญจวช้ชีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข่านั่นเดงแปนว่าละ่ะถ้าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอเออเทศไปไม่เก่งเนี่ยเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าอย่างเอาให้เอา เอออนัตตาแปลว่าไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนตาเห็นรูปเกิดรู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้แล้วกว็ดับหรือเขาเห็นว่าคันห้าเกิดกับดับพร้อมกันคือเห็นอันนิดจังหว้จักอันนิดจังปะมันเกิดแล้วกว็ดับนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่แหละเห็นอันนิจจัง สิ่งได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์ขังเห็นอนัตตาเห็นใตรักญาณตาเห็นรูปเกิดรู้เห็นอนัตตนี้แล้วก็ดับเรียกว่าขันห้าเกิดดับก็ได้เป็นยังว่าขันหาตาก็คือรูปเข้าใจไหมละ่ะรูปที่เรามองเห็นก็คือรูปภายนอกมันมาทบกันกันกบตาตัวใจคือวิญญาณรู้ขึ้น ก็เรียกว่านา้นานา้ำน้าน้มาแปลว่าจิตน้อมรออับอารมณ์ก็เกิดรู้ว่าเห็นอะไ น, นั่นนี้เรียกขันห้าเกิดเกิดแล้วก็ดับดับนี่แหละมันเป็นอนิจจังมันดับมันเกิดแล้วดับเขาเรียกว่าอนิจจังถ้าเกิดแล้วไม่ดับเจ้งว่าอนิจจังแม่นว่นะมันเกิดมันดับเนี่ยเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง ทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าดวงตาดวงตาดวงตานี่เห็นธรรมว่าเป็นตานี่เด้อตาเนื้อตาหนังแม่เข้าใจไหมล่ะคาว่าดวงตาตาจิตตาใจตาสติปัญญานะี่ยไปเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา หูได้ยินเสียงก็เกิดรู้เสียงนั้นขึ้นมีผู้ใดห้ามมันได้อยาได้ยินนะห้ามได้ไหมจงได้ยินนะได้ไหมไม่มีมันเกิดเองไปเอ ง, เ, อ ง, เ, องเรียบร้ธรรมดาเกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงก็รู้วิญญาณหรือใจมันรู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้เกิดขึ้นดับไหมล่ะฮะทังนั้นบัวปากเป็นนอนได้มวยจอ ถามโมปากสร้างนาไมไปเป็นคนใบเลยข้ <c oughs> นถามโมปาก <c oughs> นี่แหละตาเห็นลูกเกิดลูกเห็นอันนั้นนี่เราก็ดับเราเห็นอันนิดจังทุกครั้งนะั้นบอกว่าได้ว่าจะดับเด้อเห็นของงามๆมัน ม, มาเห็นของเนอของหมิน่นมึงจะไปเลี้ยวเห็นเด้อ <c oughs> บอกว่าเกิดดับเนี่ย เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเนี่ยผมได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกลินน่นเหม็นๆแล้วมันดับไหมฮะเออดับผ่านไปก็ไดับเกิดดับเกิดดับเป็นอนิจนจังทุกขังอนิจจังทุกขั้งนัตตาเนี่ยเพื่อนว่าธรรมชาติคือยากธรรมชาติหรื อ, อยังงะธรรมชาติกับธรรมดาเดียวกันบอเออโอ้ยเจ๊งแต่ว่า เป็นปรเทศ่อไปดเวยเมื่อแจกว่าไอลอล์ไตรลักษัเนี่ยไตยรลักษัลักษณะสามเนะ่ะกฎธรรมดาท่านก็เรียกหรื อ, อธรรมชาติหรือธรรมดาเป็นอันเดียวกันหมูได้ยินเสียงแล้วเกิดดับจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสปทดทพธรรมลมเกิดขึ้นแล้วก็ดับพระอาญากนธัญญาจึงเข้าใจ ตอนฟังเทศธรรมจักรอืฟังพาสิตังอภินันตุงอภินันดุงเนีั น, นมาเข้าใจว่ายังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติภาษาบาลีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตากรบดูกกระทบกันกระเกิดลูกขึ้น แล้วก็ดับเป็นธรรมดาเขาใจไม่ไหวไงเห็นธรรมดาไปฮะว่าคือไงเท่านี้มาเป็นหัจักแล้วคือไงเนี่ยธรรมดาอันเป็นอนิจจุกคังนั้นเกิดแล้วก็ตรงดับเกิดแล้วสิ่งทั้งหลายสัพพันตังสัพพะแปลว่าทั้งหลายทั้งปวงเลยสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาเพื่อเห็นไตรลักษณ์ ใจลับยานกับกฎธรรมชาติอันเดียวกันไหมทางโน้อนอ่ะข้างหลังอะ่ะฮะอันเดียวกันไหมโอ้ยเจีงมากเจีงมากนักเรียนทีนี้เห็นกฎธรรมดาแล้วอะไรเกิดอะไรก็ต้องดับเป็นธรรมดาเนี่ยยังจินจิสมุดทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ตาเห็นรูป ก, ก็เกิดรู้ว่าเห็นอันนั้นขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจไหมท่านเออนี่อันนี้นนพระโสดาบันองนี้นะดวงตาเห็นธรรมตาสติตาปัญญารู้ว่าสิง่งใดสิ่งหนึ่งมันกระทบกัน เข้าแล้วก็เกิดแล้วก็ดับคือห้าวเอามือตบกันเนี่ยเข้าใจไหมเอา เ, อ, นนนะเอา ม, อาอามือปบกันนี่ก็ปับ๊บเสียงดังไหมเออดังแล้วดับไหมเออนี่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมดาไหมมันเป็นยังดับเ อ, เอาเอามือตบกันแล้วมันดังขึ้นมันเมียงค่อยดับตอบให้ฟังหน่อยทางนั้นนะฮะ โอ้พอได้รับตาไปพอได้เรื่องธรรมดาแล้วพอจักธรรมดานะโนโมเราเน่ยเออมันดังขึ้นแล้วมันทําไมถึงดับเอาทักน่อยเอาเออเออมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ไปดับมันธรรมดามันก็ดับจริงๆเป็นธรรมะเกิดดับเป็นธรรมดาองค์นี้เรียกว่าโกหลังโกละอันมีศรัทธาศีลแล้วก็ดวงตาเห็นธรรม อนึกออกไหมท่านเห็นทำห ร, รือยังธรรมดากับธรรมชาติกับกฎไใจลักญานเป็นอนเดียวกันไหมลักษณะสามอนิจจังทุกขังอนัตตาใจแปลว่าสามลักษณะเกิดเห็นเกิดความรู้ยานแปลว่ารู้เกิดความรู้ความเห็นสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ได้เป็นอัสสดาบันองค์ที่สองเป็นผู้มีศรัทธามีศีลกุศลกรรมบทสิบศีลห้ากุศลกรรมบทสิบดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาม่าห้องแล้วมันเป็นยังค่อยดับฮะมันธรรมดาตีมาจักธรรมดาไป ธรามาาตร์เนี่นี่เห็นเกิดเห็น ด, ดับเหรเออไม่ต้องไปยึดไปถือออกมันเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นปล่อยวางได้แล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับดับไปเป็นธรรมดามื้นเห็นดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทางและมาเห็นร่างกายของเราก็เหมือนกันโอปนยโกน้อมเข้ามาเลยมันทาไมถึง ผมมันทำไมถึงหงอมันเป็นธรรมดาเอ้เราทำไมถึงแก่มันเป็นธรรมดาใช่ไหมละ่ะ เ, เรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเข้าใจไหมละ่ะอ่ะนี่แหละมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงอยู่เป็นเด็กหญิงอยู่พวกเราเนี่ยเป็นเด็กหญิงอยู่ ที่มันแก่ว่าก็เป็นธรรมดามันต้องแก่เข้าใจไหมละ่ะฮะรู้จักธรรมดานี่ก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์ที่สองดวงตาเห็นธรรมเอาผู้ใดยังไม่เข้าใจใครยังไม่เข้าใจธรรมดาว่าเห็นมันอันนี้ยังไม่เที่ยงสักอย่างกายแล้วนี่ก็ไม่เที่ยงนั่งแต่กเกิดใหม่ๆป่าตีนเท่าฟ้าหอยนี่พวกเราใช่ไหมออกมารอดพองมาใหม่ๆเดี๋ยวนี้มึงด้วยหรอว อินเพิ่มเกือบเบอร์สิบสองยังสูบเาไมันธรรมดาทีนี่แหละมันโตขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นเป็นธรรมดาอ่าอนี่เห็นธรรมดาไม่ไม่หลงหลงไม่ห ล, ล, ลงแล้วไม่หลงแล้วปล่อยปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าสู่กฎธรรมดานะเราก็จะอืไม่เดือดร้อนที่มันเดือดร้อนหัวงองพุมไปงอมมันอยู่ไห่งอแล้วหัวร้อนซ้ำมือถ้ามันเกิดเยวขึ้นมาหยิบมันเหี่ยวเกิเป็นธรรมดามันงอเกินเป็นธรรมด า, ม, รร ม, ดา <c oughs> มีความแก่เป็นธรรมดาที่คือมันไม่เที่ยงนั่นแหละเขาจะ ฉันมันเทียงก็ดำอยู่ขึ้นเก่าอนนีกดอกนี่ว่าคั้ธรรมดาคือมันมาเทียงเข้าใจไปอย่างนี้เ้าใจอนิจจังทุกครั้งนั้น ด, ด่าไปนี่แหละกฎธรรมดากฎธรรมชาติแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์ที่สองโอ้เอาพอเข้าใจไหมจะผ่านไปองค์ที่สามทีนี้องค์ที่สามโอ้อนุโมทนาให้เจ้าของในสัตุ เห็นไตรลักษณ์ย่าน่ไก่เจ้าของแล้วเรามีความเจ่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาปงใส่กดไตรักษย่านทิมไปว่าต้องไปดีใจเสียใจกับมันถือว่าเป็นธรรมดาเอาใจน้าที่นี่เนาะเอาบ้านีึงบ้านนึง องค์ที่สามก็ต้องไต่เจ้ามาจากเป็นผู้มีศรัทธาก่อนไนบัดเน่เป็นผู้มีศีลดวงตาเห็นธรรมกว่าแ น, น่อง์สุดท้ายนี่ทีนี้ก็เอกพีชีองค์สุดท้ายเนี่ยอ่ามีดวงองสุดท้ายนี่ก็มารวบใส่กันหมดรวบใส่กันยังไง เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาสี่อย่างมาร่วมกันศรัทธากับจาระก็ศีลนั่นก็เข้าใจแล้วเนาะย่างจาคะไปนี่องค์ที่สุดท้ายนี่จาคะเมื่อนี่กับจาระายแล้วล่ะมาจาคะเงิ่อนคล่องออกจากจิตจากใจเข้านี่แหละเขาเรียกว่าจาคะ เข้าใจไ่ะยาคาคือสละสละสละเงินสละทองข้าวของทองเงินออกจาค่าละความโลภความโกรธเบาบางลงความหลงเบาบางลงจาค่าสละข้าวของทองเงินที่เรามีอยู่ออกไปกินไปทนันก็เรียกว่าจาคา ยาฆ่าความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงอ่าหม่าฮวงอะไรนะขักกับม่าฮวงฮวงแจวฮวงนี่ไก่นี่ไก่ถ้ามาหยุดนี่ไก่มหานี่ไก่ไหวได้อ่านี่ไก่ไหนไก่เดียวกันนั่งันเป็นผู้ใดจิตโรกระแสบแล้วไม่ต้องนั่น ไม่หึงไม่หวงวันนี้กายนั้นนี่กายนี้ใครก็มาอยู่ด้วยกันได้หมดเข้าใจนะหวงบอดหวงเฮียนหวงเอาวา่าอันภาค ก, กับหวงกุติให้มาอยู่แม่ออกกับหวงที่พักมูมาพักน้่กับส่งนาพอดอสพีส่งแพงส่งขี่ทีหลายาแ ท, นท่นเทว้นสีเอือเฟื่อกัน เพื่อแพ่กันจาฆะความตะนีเน่วแน่นออกจากจิตจากใจพอเข้าใจเนาะจาฆ่านี่ยศรัทธาศีลจาฆะเข้าใจแล้วนะจาฆะสละแบ่งปันสิ่งพวจรคนอื่นเข้าใจได้ไปใช้ประโยชน์เกิดประโยชน์เราก็ดีใจด้วยนะจาฆะความตะนีเน่วแน่นออกจากจิตจากใจ แต่นี่ขี่เหนียวอ่าเคยเห็นไหมล่ะน้ำขีดสีกน้ำขีดสีกภาษาทไทยมันทิวางเลยฮะน้ำดำเต้นำ้ำดำอ่าไม่มีที่ไหลน้ำอะไรที่ไหลเอื่อยๆไหลเรื่อยๆลงสู่ทะเล น้ำมันนั้นก็สะอาดคนได้กินได้อาบได้ดื่มด้วยน้ำอันในไม่ทายเทไม่ทายเทเหมือนน้ำคล้ำน้ำดำน้ำไม่ทายเทเน่าเหม็นเอาใจว่าไงเนี่ยคนไม่เคยจาาข้าไม่เคยสละจิตของเรามันเน่ามันเหม็นเหมือนเหมือนน้ำคล้ำ คงจะไม่เหม็นถ้าคนออกอยู่ในนอสะอาดแล้วสะอาดแล้วจาค่ะวัตีเนี้แน่นออกได้แล้วนะอันนี้พอเข้าใจนะจาค่ะที่สุดท้ายปัญญาอันที่สีปัญญาปัญญ า, ญญาสิ่งท่่อบอกใครก็มีหมดทุกคนอยู่นี่ปัญญาใครว่าใครไม่มีปัญญาไม่มีมีหมด ปัญญามันมันมีสองอย่างอันหนึ่งเป็นมิจฉาทิถฐิอยู่อันหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอ่าปัญญาเห็นสอบเห็นถูกต้องเห็นอะไรไปเห็นอะไรเห็นกายเจ้าของนี่แหละปัญญาไม่ได้ไปเห็นที่อื่นเห็นกายเจ้าของนี่เดี๋ยวนี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมนี่ใครนั่งอยู่เนี่ยเอาใครนั่งอยู่เนี่ยมีคนมีเจ้าของไม่นั่งอยู่เนี่ยนะฮ ะ, ฮะโอ้ธรรมชาตินั่นเจือเอ้ยยอดยอดยอดยอดเป็นพระโสดา บ, บันองค์สุดท้ายแล้วเห็นธรรมชาติแต่ก่อนนะ เราเห็นว่าดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณคือธาตุหกมาประชุมกันมาประชุมกันธาตุหกไม่ใช่ว่าธาตุหกธาตุหกธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุหกอย่างมาประชุมกันเนี่ยเนี่ยธาตุทั้งหกมาประชุมกัน เขาจึงมาตั้งชื่อตั้งชื่อว่าก้อนสะกลกายจำได้ไหม่ะก้อนสะกลสะกลแปลว่าทั่วไปสะกลมียกของไหมพโสดาบันเนะขอโทษที่นั่งนานวันนี้นนเหยียดขาสักหน่อยก่อนตลอดวันไปวันนี้ <laughs> สากลแปลว่าทั่วไปดินดินน้ำลมไฟเป็นของทั่วไปไม่มีเจ้าของเขาเรียกว่าสากลแต่อันนี้เป็นสัมมาทิฐิเรียกว่าสากลกายแต่เมื่อมาประชุมกันคลอดออกมาจากท้องแม่เขามาตั้งสมมติว่าว่าคน ที่จริงก็ธาตุทั้งหกมาประชุมกันใช่ไหมพอคลอดออกมาก็เรียกว่าคนน้อยะะนคนน้อยเกินเลยเขาเรียกว่าตั้งสมมุติให้ว่าคนเราก็เลยไปถือเอาว่าเป็นคนจริงๆที่มันเป็นคนจริงไหมละ่ะมันเป็นดินน้ําลมไฟมาประกอบกันเข้าเฉยๆเขามาตั้งสมมุติว่าคนนี่แหละเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ จิตรู้ไม่จริงไปรู้ตั้งแต่สมมุติไปจําเอาแต่สมมุติโลกเขาคนเขาตั้งสมมุติว่าคนก็ไปจำว่าคนกับเขาจนติดฝังอยู่ในจิต ใ, ในใจท่นผู้ใดว่านี่มันคนบ่ั่นว่าว่ามันคนเขี้ยนรถเดี๋ยวนี้ ปักเนยียนเยอะไปเนียนแล้วไพรว่าเฮ้าเป็นหมาเนี่ยมึงเด้อเราแมนบาละเอ อ, เ, อ, อ, อเขากันว่าหมาเนี่ยเน่เขาเรียกว่าคนเนี่กับไข้แแนวไพว่นี่ถือตามสมมุตินะด้วยจากสมมุติว่าหลังเงคนจริงๆมีไหมเนี่ยไม่มีเพียงแต่เป็นดินธาตุดินธาตุน้ำลมไฟมาประชุมกันเฉยๆมีคนไหมอยู่ในเนี่ยไม่มี เอโอ้โออเก่งแล้วเว่ยจะได้เป็นพระโสดาบันองค์สุดท้ายแล้วอ่ามิจฉาทิฏฐิแต่แต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมถือตามสมมุติเขาเขาเรียกว่าคนผ่านคนผ่านไปเรียนจำเอาแต่สมมุติว่ามันดาเนีด็อกเตอร์หลยอยู่ได้หรอยู่นเนี่ยฮะ <c oughs> ว่ามันไดนะ้ไปเรียนจำเอาแต่สมมตุติคนผ่านเขาเรียกว่าพาโลพาโลพาโลเขาบอว่ า, วาคนพาน่านบมเป็นนั้นเขาเรียกว่าคนคนรู้ไม่จริงคนโง่คนหลงพาโลแปลว่าปัญญาอ่อนเนอะเข้าใจว่าี่คนปัญญาอ่อน <c oughs> ยุนี่ว่ามีคนปัญญาอ่อนเลย <c oughs> คาโรแปลว่าโง่แปลว่าปัญญาอ่อนไปเรียนเอาแต่สมมุติไปจําเอาสมมุติท่องหนังสือตาดําแต่แดงท่องท่องเอาสมุติใช่ไหมไปอวดไปอ้างคอมที่จริงไม่ใช่ไม่มีสมมุตดเฉยๆเราก็ท่องเอาสมุติคนผ่านพระพุทธเจ้าอ่ะคนผ่านไปเรียนเอาสมุตินักปราชญ์บัณฑิต เรียนละสมมุดเดาบายเนี่ยพิดกันแน่เข้าใจไหมนักปาราชญ์บัณฑิตเรียนวางสมุดมันเป็นคนไปะนะนักปาราชญ์บัณฑินบาลไม่ใช่คนไปนนะดินน้ําลมไฟมาประกอบกันเข้าเฉยๆสมมุติว่าคนนี่นักปราชญ์บรรดิตจะเรียนละทำว่าคนออกเข้าใจไหมไม่ไปท่องเอาดอกท่องเอาสมุตด แต่เรียนละสมมติแนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เราเป็นมิจฉาทิ่ฐิมาจำตามเขาเล่าลือเขาพูดกันมาว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจำฝังแน่นไว้ในจิตในใจไปมาต่อยไปได้ก็เถือกูท่าน ท, ท, านที่ถือเล่าท่านที่เลยมึงเดอ้อเราพันวา <laughs> มึงบ่หัวใจกูเถือกพนัน <laughs> เจ้า ก, กูอยู่ใส่มีไมหมล่ะกูอ่ะฮนะมึงเด้อเหวนะเด้อมึงเคย บ, นะบอกขวดจ้ะมึงอกจ้ากูจนะ้เนี่ยนี่นมาหลงว่าเจ้าของว่ากูว่ามึงอยู่เนี่ยที่จริงมันไม่มีอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันจะเป็นคู่กันกันกบสัมมาทิฏฐิเลยเข้าใจบ้างอ่า สัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงความเห็นถูกต้องความเห็นว่านี่แหละธรรมชาติี้กายกับใจไงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิแต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าก้อนสกลกายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา เอาเล่าอยู่มองได้มีแต่เขาสมุติใช่ไหมล่ะสมมุติมันของจริงหรือของปลอมเอรอเขาเอาของสมุติให้เอาไหมล่ะเล่าฮะทําไมมาเบีกเอาสมมุติแท้เดี๋ยวนี่ยถ้าบ้าไม่เอาอ่ะนะตัวล็อกต่าตัวนี่ไหมว <c oughs> ่าเบกไว้เจอของเป็นคนคระเด็นเนี่ยมันเป็นคนอยู่ตินั่งอยู่อย่างนี้แม่เพิ่งจะรู้สึกตัวเนี่ย ก้อนธาตุมาประชุมกันเขาเรียกว่าก้อนธาตุก้อนทําเฉยเฉไม่มีสัตว์บุคคลเข้าใจไหมล่ะฮะมีอยดเจ็ดนี่ยฮะมีไหมล่ะมีตัวมีตนอยดเด็ะมีอัตราตัวตนอยดเด็ดไม่มีถ้าอยากรู้เนี่ยปัญญาถอดกรรมฐานกรรมฐานห้า พระบวชสมัยก่อนสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์จะเมื่อบวชมาแล้วเธอจงบวชมาเธอบอกง่ายๆเท่านี้นะพอบวชมาแล้วท่านก็บอกเจสาโลมานะะักขาทันตาตะโจห้าอย่างนี่ท่องกลับไปกลับมาท่องไปท่องมาอนุโลม อนุแปลว่าตามไปท่องไปจนมันจำได้อนุโลมปฏิโลมถอยหลังกลับขึ้นมาอเอสาโลมานะะักขาทันตาตะโจตะโจบัตนึงถอยมาเป็นยังหลังจากตะโจหรอทันตานะะักขาโลมาเจสาเธอได้กรรมฐานห้านี้แล้ว ท่องให้จำได้ท่องเอาสัญญาท่องเอาสมุดสักก้อนเสียสิไปข่าวิมุตดเสียไปดับปัญญาเกิดปัญญาถึงเอาสมมุตนินี่แหละก่อนท่องเอาสมุตินี่ก่อนพอต้องได้แล้วท่านก็บอกให้เข้าไปหาที่สงบสงดัดเงื่อนผาป่าลกชักโคนต้นไม้เธอตจงเอากรมมฐาน อันใดอันหนึ่งบ่ามันเอาเม็ดเด้เอาอันเดียวเท่านัน้นอันพันจะสงสัยหรอล็อกตาเพื่อว่าให้เอาหายางแต่ว่า5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเด้เข้าใจนะถ้าเอาผมก็เอาผมอย่างเดียวถ้าเอาเล็บก็เอาเล็บอย่างเดียวถ้าเอาหนังก็หนังอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกัน มันเป็นธาตุดินคือกันเขาเรียกว่าอะเอาอันใดก็ได้สามสิบสองอย่างนี่อาการสามสิบสองนกายของเรามีดิน2ยี่สิบอย่างน้ำสิบสองอย่างเรียกว่ากรรมฐานสามสิบสองนี่แหละถ่านเรียกว่าพระธุดงกรรมฐานเอ้ยหารัางไอ้แบกกดพายบาทเขาปาแ้แ ะ, แแะแ้แ้ะเลย ไอ้ทุดดงพะนะว่ากันไอ้ทุดดงพนร ะ, นะมันบอกแม่ดงอันนั้นเขาใจว่าไงดงคือดงกายเนี่ยดงกรรมฐานฮกรรมฐานฐานสองคือเรียกว่าพระทุดดงอันนั้นเป็นพระชีกตืออ่างลอยจินเขา่าเลยดงที่ลบที่สุดคือดงกายคนก็มาหลงดงนี่แหละ เบื้องต้นก็หลงกายเบื้องปายก็หลงใจเอาของเอาใจว่าไปเนี่ยมันที่ไปหลงอย่างดงสมุนเนี่ยตุยทั่งไปอาลาดอาลาดก็ได้ตัวอันนี้มันหลงเนี่ยหลงว่ากายของเรานี่แลเนี่ยว่าแลเบื้องดังเทียเข้าใจไหมล่ะเนี่ยมาดูมาถอดผมขนเล็บฟันออกดูอย่างใดอย่างหนึ่ง พอเข้าใจไหมนี่นี่นี่ตัวปัญญานี่เนี่ยตัวจะมาเกิดชาติสุดท้ายเลยฟังให้เข้าใจนะตัวปัญญานี่จะเป็นละความเห็นผิดละมิติชาติทิฐิละความเห็นว่ามีสัตว์มีคนตัวตนอยู่ในนี้อ่ามันสิละได้อย่างไเอา้าหันใจเง้ยวๆวสามเทียเร็วยืดตัวขึ้น มันสียอยากนอนนอนฟังบ่ได้ยินนยบ่เข้าใจหันใจยาวๆออกยาวเข้ายาวสามครั้งเป็นไงซึื่มาอยากนอยบ่อยักทุ่มหลยละเดินเฮะสามทุ่มครึ่งไปเอาไม่เป็นไรดอกได้เป็นพะส ด, ดาบันภาษาสามทุ่มซ่สิเนาะ เส้าแมแหลกก็พระโสดาบันไดยังได้บะ่าอ่านี่แหละได้กรรมฐานอันใดอันหนึ่งไปวี่ครายพิจารณาดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงท่านก็เรียกว่ายะถาภูตายานทัศนะเคยได้ยินบอญาพอยะถาภูตายานทัศนะ แปลว่ารู้เห็นตามเป็นจริงยะถาแปลว่าตามเชืเขียนเอาญยา่ลงยะถาแปลว่าตามภูตะแปลว่าเป็นญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าอย่างทัศนะนะฮะฮะมีผู้ดได้จะค่อนตินทัศนะแปลว่า เคไปทัศนาจลอนบ่ไปยังไปทัศนาจลอนไปไปให้เห็นเดี๋ยวนั่นแหละทัศนาแปลว่าเห็นไปดูไปทัศนาจรคือไปดูสถานที่ภูมิมีประเทศเขาดูอสิ่งอะไรที่เขาก่อสร้างเอาไว้น่ะเขาเรียกว่าทัศนาจรทัศนาแปลว่าเห็นยานแปลว่ารู้พูดตะแปลว่าตาม พุทธะยะถาแปลว่าตามพุทธะแปลว่าเป็นเราดูไปดูมาเอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาที่คายพิจารณาดูจนเกิดสติปัญญาโลห็นตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่ายถาภูตายัญทัศนะแม่ใกล้จได้ยะถาพูตายันทัศน์ลราไว้ทั้ง ฟังให้เข้าใจนะแจ่ได้ยะถาพูตญานจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยบางทีเราได้ยินได้ฟังแล้วไม่เอาไปทําดูก็ไม่เห็นนะไม่รู้ไม่เห็นนะต้องไปทําท่านเรียกว่าไปสำเนียงได้กรรมฐานห้านี่แล้วให้เอาไปสำเนียงคนคิด พิจารณาดูซ่อมบังย่อยนิโสมานาัสิกานโดยแยบค่ายมาจากบ่ย่อนสโสหรอฮนี่แยกกายเจ้าของมาบางผมเนี่ยสมมติเอาผมเนี่ยมาดูผมมันเกิดมาจากไสเอาต้องถามเจ้าของอย่างนี้ผมได้มาจากไหนฮะคิดคิดไปด้วยเด้ ได้มาจากไหนผมเนี่ยฮะเงาะเงาะดำดยุ่เนี่ยได้มาจากไหนฮะได้มาจากไหนฮะได้ธรรมะจากธรรมชาติเดียคือดินน้ำลมไปมาประชุมกันใช่ไหมอ่าแล้มาเกิดอยู่ศรีรษะเขาเรียกว่าผมถามาเกิดยุ่นี่แล้วบไป เ, เอ็นว่าผมบอกฮะ เขาสีหัวขวัเมื่อเจ้าเล้วผมมาเกิดช่วงช่วงตเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสมมติเข้าใจไหมล่ะสมมุติว่าผมถ้าเกิดถึงถ้ามาเกิดขึ้ในแบบชิวก่ออ่าว่าเกิดอยู่แขนอยู่ขาต่อเรียกว่าขนไปนี่สมมติไปเลมันได้มาจากอะไรมาจากดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเข้ามาเกิดอยู่ที่หัว เขาเรียกว่าผมเรียกว่าขนได้ไหมอะได้ไหมเรียกว่าขนไหมเขาจะหัวรอดแหละอ่ขนหัวสิโอ้ขนหัวขนหัวเท่านี้นเกือหมอกเพราว่าผมเนี่เออนี่แหละเขาเรียกว่าสมมติว่าผม มันเกิดจากอะไรกันต้องอยู่ย่อยลงไปอีกนะัไปศึกษาศึกษาสังเมียพิจะะารณาดูให้ลยเห็ น, นการณ์พร้อจิว่ามันผมมันเกิดมาจากธาตุทั้งสี่มาประชุม ก, กันเขายได้ไลยถ้าไม่ดินมีดินผมจะมีไหมไม่มี่าตินนะ ถ้ามีไม่มีธาตุน้ำผมจะมีขึ้นได้ไหมไม่มีความร้อนความอบอุ่ลมไปผมจะเกิดได้ไหมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าผมมันก็เกิดจากธาตุสี่ที่เองธาตุสี่ก็คือธรรมชาติเมื่อรู้ผมเส้นเดียวทำไมทำไมผมถึงยาวที่ไหนไปแล้วไป ฮะมันเป็นอย่างเง้ามันธรรมดามาย้วใั้เลยมันก็งี่เงาธรรมดาเราเดี๋ยวนีกันเง่ายเอาเดี๋ยวไปเลยเพื่อนเลมืองเงาวผมไว้เงานั่นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติงไมมันกินอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันดูดกินน้ำหนองน้าเหลืองที่อยู่ในกายเรามันกิงยาวได้เข้าใจไหม เงาเนี่ยก็อันอ น, น, วว น, นี้อย่างเปนธรรมวันเียมตัวเงานัลเรามาเห็นผมก็เคยทำมาใช่ดินน้ำลงไปใช่ไหมมาประชุมกันหรือใครไม่ถ น, นัดเอาผมจะไปลอกหนังออกดูก็ได้เบื้องหนังน่ยของลอกอไม่เรามเป็นเรื่เบื้องนี้ก็ผีลอกไปได้ขนาห น, นังออก เอาหนังอย่งมะเบิ้งก้อนเอานังหนาผากเลยเอเอาหนังตรงไหนมาได้หนังข้าวหนังหนาผากหนังอะไรก็เสมือกันเป็นหนังคือกันหมนอย่าไม่ต้องรังเกียรตเปเอาหนังมาดูหนังเกิดจากอะไรเหมือนกันเหรอเกิดจากไหนหนังเอ้าก็เกิดจากธาตุที่งีมาประชุมกันได้ไหมอย่างใดอย่างขาดไม่ได้หนังอยู่ไม่ได้ อไม่มีน้ําหนังก็ไม่มีไม่มีดินหนังก็ไม่มีเรียกว่าหนังเกิดจากธรรมชาติคือดินน้าลมไฟว่ยัดทิาไาตุอะไรนีมีเจ้าของไหมหนังหนังเล่าตัวหนังเห่าตัวว่าเป็นหนังเห่าชนหนังไผ่เนี่ย ร้องเข้าไปหนังหมาผงดูไปเนี่ยทว่าไหนเนี่ยฮะหนังหมากับใคนนั้นศาสตร์ข้อมือว่ากุคัดสิวะเนี่ยหนังเล่านี่แหละหนังไข่นี่แหละนี่หนังก็เป็นเราผมก็เป็นเราของของเราไอ้นี่แหละเราให้เห็นตามความเป็นจริงคือปัญญาใกล้จะใกล้จะสิเป็นองค์ทุติยภัยอะไรอย่างเง้ยเมื่อเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่า ทำมาค่ะยิ่งอาชัยกันเกิดใช่ไหมดิ่งน้ําลงไปมาประชุมกันก็มาเป็นหนังได้กี่เป็นหนังเด็กหน่อยหนังเด็กหน่อยบ้านมีหนังเงาหนังมันเ่าแล้วก็เรีกหนังบุเถาหนังบุญย์ย้านกั็นหนังโมเมียวละ แต่น้อยๆแกนแผ่นนี้ลูกอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลูกป่านห่องม่นแกนย อ, นอนโดโนุ น, นตัวกันงานแั่งวัวแมว่ะนี่ก็เกิดจากธรรมชาติเข้าใจไหมละ่ะดินมีเจ้าของไหมไม่มีดินก็เป็นธรรมชาติเป็นธรราตุอันหนึ่งน้ำเป็นธรรมชาตินรรต่ ลงไปเป็นธรรมชาติเมื่อมาเกาะตอออัวมีเจ้าของไหมธรรมะคือของกลางนะจําไว้ให้ดีนะธรรมะเป็นของกลางแลว้วควต้องการไปอนะ่านเห็นของกลางไหนเป็นเขียนไว้ธรรมะคือของกล า, างวันนันที่เป็นของกลางนี่คิดไม่ออกยังนี้คิดออกครับ คือมันมันเป็นอนัตตาเข้าใจไมไม่มีเจา้าของมารวมกันทีนี้เมื่อมารวมกันเขาประมาสร้างสมมติขึ้นนี่ว่าคนว่าเราว่าเขาก็เลยมาถือการโลกเขาสมมติตามเขาสมมติขึ้นมาใจก็ว่ามีเราเขาจริงจริงมีต้องมีโดยสมมติ เอาใจทั้งงานว่าอะทั้งงานสมมติเขาใช่ไหมน่ะเรา ม, ไ ม, มีไหม่ะนั่นเี้ยมีมีโดยสมมติไหมถ้าไม่มีจะจ่าโดนถูกเราไม่ะอ่างเงี้ะถ้าถือเอาตามสมมติมีใช่ไหมถ้าถือเอาตามทรไม่ได้มีไหมฮะไม่มีถ้าหาถือตามสมตมติไม่มี ถ้าชื่อดำสมมติมีนี่เลยสมมุติมันมาปังมีงดอยู่นี่แล้วค่อยใจเลยเอาทีนี้มันมารวมกันทําไมฉัดมารวมมันเข้ามาเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจทใําไมค่ะเข้าใจเนาะเราก็คนโง่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ คนรู้ไม่จริงก็ไม่ถือเอาตามโลกเขาสมมุติเข้าใจไหมล่ะเขาเรียกว่าพาโลพาโลพาโลคือคนปัญญาอ่อนมีอยู่กี่คนไปหออนอ้าอ่อนึงนี่ย น, นะก็ <c oughs> มาหลงสมมุติมาถือเอาสมมุติเขาเขาเรียกว่าคนปัญญาอ่อนหรือคนนักป่าอะไรที่เนี่ย น, นะ เขาเรียกวคนเบญาออน์ตก็มาถือว่าแล้วทีนี่วัะคนกายนี่มีเราไหมมีไหมเอามีไหมเนี่ยมีเราอยู่นี่มีไหมอ่านลงค้กนกระซงใสยมีใช่ไหมถ้าถือตามโลกเขาสมมติมีถ้าถือตาม ทรรมชาาิรือตามปามาา ร, รมาจารย์เขาเรียกว่ารมอันละเอียดยิ่งขึ้นไปเลยปลามาย ร, รมาจารย์ทำหรือตามโลจิกะมีไหมมีถ้าถือตามทำโลกละมีไหมไม่มีนี่แหละพระสุตตันธ์องที่นี่ถ้าในก้อนสกคลกายหรือตาม ปรมัทำวัจจปรามัดแต่ทำบ่อยอย่างเงี้ยท่ยาบอกจปรมัดกับใส่อะไรกับ้างปรมัดแต่ทำคือทำมันละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้มันเป็นก้อนนิ้วนี่มันมเมนปรมัดมันเป็นสมมติเป็นบัญญัติเข้าใจไหถ้าถือตามปรามัดไม่มีคนเขาบ็สมมติตัวตนเขาบอสมมติ ถ้าถือตามลิมุตตามปรมัติตทำทำอันจริงงยึ้นไปไม่มีคนมีคนอยู่ในนี้บ่อยว่ามีอีนี่พระโสดาบัองค์นี้แ่ะกล้มาหมดแล้วจะมาเหลืออยู่ตัวปัญญาตัวเดียวตัวมิจฉาทิฏฐิตัวเดียวเี้คราบพระพุองค์ให้เราละสัดกายะทิฏฐิ เค่ไห้ยินมัสักกายะทิฏฐิอ่าสักกายะทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นสักกายะแปลว่าก้อนสกุลกายจักกายะทิฏฐิคือความเห็นว่าก้อนสกุลกายนี้เป็นอัตตาตัวตน เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเดียวเนี่เดียว น, นี่เดียวนีเดียวนีเดอยู่เดียวพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมาสั่งสั่งเมากำลังจาก ห, า ย, าหายโง่ให้หลงน่หน่อยใช่ไหมละ่ะและรับฟังได้ท่านไหม น, นะเออว่ได้เลยว่าเป็นพระสุาตบรรพุทธุดทยว่าได้เล้มาเดียวเ้ยรับฟังได้ไหม <laughs> เนี่ความเห็นกันเนี่ยละมิจาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าสองอย่างนี่ยมันเป็นคู่กันมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดคืออวิชชาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องคือวิชชาง่ายๆสิได้ไหมวิชาแปลว่าปัญญาเมื่อเราเห็น แอบขวัาเราเห็นว่ากายนี่แหละเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เข้าใจกัอยังถ้าถือตามสมมุติถือตามโลกเขามีตั้งออกว่าไงตั้งออกไหมถ้าถือตามโลกุตตระมีไหมไม่มี โอ้คือสิเจ่งเลยเออเก่งไปหนึ่งเดียลูกชิดลูกงามเลยเออโอ้ไอ้โมท้ท่านะไม่มีมีแต่ก้อนธาตุมีแต่ก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเฉยๆไม่มีเจ้าของเพราะถ้าไม่มีเจ้าของเนะีถ้าเข้าใจว่ามันเจ้าของเมื่อตายเป็นลูก นี่นะเราจะมาหลงเงอนมันตอนนี้ใครเห็นลูกเขาใครเห็นลูกนะใครเห็นลูกตามองเห็นลูกใครเป็นคนเห็นนะโอ้เมีนว่าหรอนะอะไรใครเป็นคนเห็นลูกใจเอาสมัเาายเราแบบคนหนึ่งว่าตาเห็นคนหนึ่งว่าใจเห็น แม่นเห็นแว่ะอะนระงอะไรเห็นเอาทั้งนั่นไนงะเพรแม่นบ่อจอบ่เล่นเน่ยทำมาอันทุติยายเลย น, ะนี่หละทำขั้นพอดีพอดีไม่เลยเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปทำเพื่อฆ่ากิเลสมันเลเือยไปนีว่แม่นมันจำกว่าหนีว่าแม่น นี่และอันที่ใครเห็นใครเห็นทางนี้ใจเห็นเออตาเห็นแต่ทางนี้ว่ายังไรใครเห็นเราเห็นแต่ตาเห็นแต่เราเห็นใจเห็นเอาภากคิดแค่แบบนี้ไอ้สิา อินทรีมีความเป็นใหญ่ในการเห็นให้ได้ยินมาว่าอินทรียอินทรียมีความเป็นใหญ่ในการเห็นอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการได้ยินอินทรียลิน้นมีอินทรียความเป็นใหญ่ในการลิ้มรสเอาหูไปสิ่งอางหารแท้นลินล้นในวออะ พูดได้เลยครับผมไน่โอบยะิะผมไม่อบพูดงายๆแบบนันความเป็นใจในการเรียนแก่ต้องอาศัยใจมาลู้ให้กินะรูลว่มันเค็มมันเผ็ดใช่ไหมลู่ได้ไห่กินไปสัมผัสแล้วลู่วิญญาณดินมาลู้ให้ ใหญ่เป็นผู้รูใ้ให้เฉยทีนี้เราก็มาหลงอีกตาเห็นลูกไกลมาดู้ให้เฉยๆจึงรู้วเห็นลูกนั้นลูกที่ใช่ไหมถ้าไม่มีใจล่ะตามัน่งจะรู้ไหมว่าเาี็นะตาค้นใจค้นใจก็มีตาัยที่กันดึงแม่บอก มากกระทบเหนื่อยขึ้นย่านจาวลูไปบวชเกิดไปด้วยเรียกว่ากายกับใจยิงอาศัยกันเกิดเอาใจไว้ไหมมีสัตว์บุคคลไหมที่ไหน่ ะ, ะบลมีสัตว์บลูีคนอยู่อในนี่รู้แล้วไม่ก็ะับลงที่มันไปยินดียินไล่กเพราะว่าอาวิชชา หลงว่าเราเห็นเข้าใจไหมถ้ารู้ว่าไม่มีใครเห็นกายกับใจทำหน้าที่เฉยๆเรียว่าปัจจัยการการที่รูป ก, กับนามอาศัยกันเกิดไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้นี่เป็นสัมมาทิฏฐิละสัจญาทิฏฐิได้ อ่าพอเข้าใจไหมล่ะท่านเนี่ยพอมาถึงตอนนี้น่ะตาเห็นรูปก็ไม่ใช่เราเห็นงูได้ยินเสียงก็ไม่ใช่เราเห็นไม่ได้เราได้ยินจมูกได้ยินเพียงแต่ลูกกับนามอิงอะไรกันเกิดเสร็แล้วกว็ดับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในก้อนนี้แต่แต่ทีแรกเรา ไปจำเอาว่าซึ่นมีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ก็จ่ายเันหลกปั๊บยังหลงขึง้นท่านที่สติปัญญาไม่มีไม่พอชา ย, ยังหลงว่าเราเห็ น, นง่ายๆนี่ถ้าไม่มีเราเห็นล่ะจะเกิดความโลภไหมฮะโลภอยากได้สิ่งที่เห็นไหม ยะกำหนัดไหมจะขัดเครือนไหมไม่ไม่มีเจ้าของกายไม่มีเจ้าของนี่แหละท่านให้ละสักกายยาทิฏฐิละความเห็นผิดเห็นว่าตายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตวนเราเขาแมน่นว่าท่านนั่นเข้าใจไหมละ่ะนะมีไหมนี่สัตว์บุคคลตัว ต, ว ต, วตวนอยู่ในนั่นไหมละ่ะ ถ้าเราเห็นไหมเนี่ยมันมาหลงตรเนี้เพราะว่าเราไปจำสมมุติโอสัญญาเอาสมุดไว้มากมายใจกวกางแล้วพอเห็นปั๊บก็เกิด อ, อาการย์ยินดียินรา่ขึ้นมาทีนี้เมื่อเราพระพุทธองค์จึงให้ถอดทั้นหาออกโดยการั้นหาว่ า, า, ง า, วาไงใจกับใจเมื่อเองทั้นหาลูกหนึ่งนามสี่ อดขั้ขนหาวมาบงทั้นหาเนี่ยดินน้มล่มไน้เพื่อไก่รู้แล้วว่าไม่มีเจ้าของบาดไหนไม่หลงใจได้บาดนี่เจ้าของพ อ, ง อ, ง อ, งองใจอะนะนีเจ้าของไหมล่ะบาดนี่ะบาดบาดจิตม่เข้าใจไก่สักแต่ว่าเอาตั้งชื่อนามธรรม ตั้งชื่อว่าใจเฉยๆไม่ใช่แต่บุคคลตัวตนเราเขามาหลงเงืนต้นก็มาหลงไก่ไก่ไม่มีใส่บุคคลหรอกเบิร์นไงหร่ะใช่ไหมมีไหมมีใส่บุคคลไหมไทยนะก็ไม่มีไปไม่มาหลงว่าใจนี่เลยวันใจนี่แต่ไม่คนมีคนน้อยยังไม่ทันที่ตีแตกเวลาที่ไม่ทันมีเล่าที่ไม่ทันวัน ไก่ก็เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่านามธรรมเป็นชื่อเขาธรรม เ, เขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือนานาธรรมวิญญาณก็เป็นท่านลูกเข้าใจว่ามันยักษ์ท่านลูกป้องงูได้ยินมันกับไปลูกไงตายเห็นลูกมันกับไปลูกไงยามูไปกินมันกับลูกี่ตัวท่านลูกตัวเนี้ย รู้แล้วอ่ะรู้เฉยๆแอ้มันไม่เฉยเพราะว่าหลงว่าเรามีจึงไปอุปทานห ล, ลงว่าเรายหงนเพือเก่าลึกๆนั่นแหะจึงว่าไปเกิดยิ้ดียินมรายขึ้นมาอำนาจขัดเยิง ข, ขึ้นมาเพราะอาวิชชาอาวิชชาดน้ตใสความโม้ความหลงมันฝังอยู่ หรือในคนบึ้งคนน่ะในคนองคนจุ่มคนน่ะแย่วอ่ะเกิดขึ้นมาที่เกิดโลกเกิดปวดเพราะว่าอวิชชาอวิชชาความโง่ความหลงเอาใจไม่หลังนี่แหละบันเนี่บันเนี่มันอุเดินพายโซดาบันหองทุษย์ไทยแยกกายออกมาแยกเวทนา แยกสัญญาสังขารวิญญาณออกมาดูให้ลุ้เห็นตามความเป็นจริงตวัววิญญาณเนะ mm hmm. ี่ยคืธาตรู้ธาตุกับธรรมชาติเป็นนเดียวกันไหมฮะเป็นนเดียวกันไหมอ่าฉะนั้นใจก็ต้องเป็นธรรมชาติใช่ไหมล่ะหรือเป็นเราอยู่เรื่อเก่าฮะ ใจก็เป็นทำไม่เท่าเฉยเฉยเป็นกลางไม่มีเจ้าของอนัตตาธาตใจก็สักแต่ว่าเขาตั้งชื่อเรียกวิญญาณตัวนี้นามธรรมตัวนี้แนละว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีสัตมีบุคคลอยู่ว่าใจฮะมีไหมว่ามียังไว่าใจเข้าเนี่ยมว่าได้ว่าคือคอโตแม่ เขานี่ยวกือโตเป็นยังไเขานี่ยวกือเป็นท่านนี่ไปเฉด้บบนี้ฝัน่า น, นั่นแหละตัวอุปทานตัวยึดเกิดถือตัวอริชาตัวลูกจริงมันฝังแน่นอยู่ในสันดานเออเอาใจนะเอาใจนะบ้านนอนเนี่ยอยู่ในจิตสันดานโอ้ห อ, อืมอดสายที่อยู่กับหลงบาเข้าเห็นอวิชาลูกจริงหลงบาเราเห็น ถ้าสามทันตนว่าเราเห็น ก, เก็เกิดเห็นเกิดถือขึ้นมาพระโสดาบนนันงินละตสัจจะพิถีละพันห้าเห็นว่าพันห้าว่างอากแตะถูกคนตัวตนเราเขาพอดเอาความเห็นสี่อย่างจำเอาไว้ก็อันหนึ่งเห็นว่าพันห้าเป็นตนคืออไรสองเห็นตน เป็นขันห้าสาเห็นขันห้ามีอยู่ในตน4ีเห็นตนมีในขันห้าอันนี้แหละเพื่อนว่าสักกายทิพย์ความเห็นสี่อย่างนี้เรียกว่าสักกายทิพย์ขันมีอยู่เจียขันห้าขันความเห็นมีสี่อย่างเท่านี้ เห็นขั้นห้าเป็นเราเห็นเราเป็นขั้นห้าเห็นขั้นห้ามีอยู่ในเราเห็นเรามีอยู่ในขั้นห้าห้าสี่เท่าไรห้าสี่บอยมันบอกเลขเคือ่คโอโมาาออก่ 5, 4, อนเลยเนี่ยโอมาบาลลอกตาบอกเลขไงห้าสี่ยี่สิบทิศที่ยี่สิบอย่างไงเป็นทิศทริปปอีกริบไปไล พาดเชื่อนจากความเป็นจริงข้เห็นพิบัติข้เห็นค้นโง่ข้เห็นข้อคอนหลงเนี่ยคิดผิดคิด ป, ปะลาดที่จริงชั้นห้าเป็นเราไหมฮะไม่เป็นเราเป็นชั้นห้าไหมชั้นห้านี้อยู่ในเราไหมเรามีในชั้นห้าไหมเราคือใครเราอยู่ที่ไหนฮะ เ่าคือใครตอบว่าได้สอบว่าผ่านยังไงว่้แหงนเหเนาะอืออ๋อัอาาหาเป็นเ่าเถเราเป็นันหาเถัานาไม่อยู่ในเราเถอะเรามีอยู่ในขันหาไม่มีนี่แหละเพื่อนว่าสัมมาทิความเรรี็นถูกต้องถตายเป็นรูกก็จักแก่ ว่าเห็นเฉยๆเข้าใจไหมละสังขยาทิฏฐิได้แล้วสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นง่ายกว่าไงสัมมาทิฏฐิฮะภาพเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเห็นว่ากายจักแก่ว่ากายไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนเราเขาแงง่ายๆในเนื้อบันมองี่ไปพัญญาน เง่าพอเง่าแม่เอย๋ยว่าใจว่าแปลอเห็นว่าใจก็สักแต่ว่าเขาทั้งชื่อเรียกนามทรรมว่าใจไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเรียกวิญญาณธาตุนี่นะว่าใจไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาอ้อเข้าใจเราบ่างนี่นี่จึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้อง ให้เป็นผู้เห็นถูกต้องเอาผู้ไหนให้เห็นให้เห็นถูกต้องเอาคิดไปนั่นห่อมให้เป็นผู้เห็นถูกต้องเล่าสิฮะให้เห็นให้เห็นว่า ก, กายตแกกยต่ว่ากายเออตัวตัวอะไรเห็นตัวสติตัวปัญญาเห็น นี่แหละเขาเรียกวเห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าญาตขาปูนาญาณทัศนะนะกแก่ออกไปว่าเห็นตามความเป็นจริง เ, เ, เ, เ, เห็นว่ากายจักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นว่าเวทนาก็จักแต่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นแล้วก็ะดับไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา นี่เรียกว่าเราละสัจจะทิฏฐิได้ละความเมียรผิดได้ใครเป็นคนละก็ใจเล่าผิดจิก็ิตของเรานี่เป็นคนละคนวางใช่ไหมละ่ะอิกของเราเนี่แหละเป็นคนรู้คนเห็นนั่นเรียกว่าเกิดดูไปดูมาทั้งกลางวันกลางคืนยืยนเดินนั่งนอนเมื่อ อายตนะภายนอกภายในกระทบกันก็ อ, อบรมบ่มยินซีอยู่เห็นย่าดวนว่าเราเห็นเอะไรไหม้หะไรเท่าไงผู้ดใดเห็นอะไอเห็นเห็นย่าดวนว่าเราเห็นได้ยินย่าดวนว่าเราได้ยินทราบย่าดวนว่าเราทราบทราบทั้งหินทั้งยมู ร่างกายน่สัตวรู้คิดรู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆอย่าด่วนว่าเราคิดนั้นผู้ใดอะไรคิดบันะฮะอนว่า ม, มีสารบุคคลตัวตนเร่องนี้นพวกคิดๆๆไม่เกิดเป็นไหนอย่างไรหายเห็นผู้คิดปัญญาพวกนี้ก็มึรู้จากหมดนะ่า เอาเววมาเราละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราได้พบและได้ปัญญาปัญญาละความเห็นผิดเขาก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเับปัญญาไม่ใช่เดียวกันป้องนะอันเดียวกันไหมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นถูกต้องเรียกว่าปัญญาไหมนะ นิสาทิฏฐิความเห็นผิดความโม้ความหลงความเห็นผิดเรียกว่าอวิชชารูา้รไม่จริงสัมมาทิฏฐิคือความรู้จริงนจริงขึ้นมาเกิดยานทัศนะเกิดแย่ถาภูดายานทัศนะเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายเนี่เขาแหววมากล้วเกิดขึ้นมานี่ละมิสชาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น วาต้องไปท้ทองเอาดอกสัมมาทิฏีิสัมมาสังกปรทองเรามันกระบอกหนึ่งจเข้าใจไหะทองจนว่นที่ใดเจียนเทนังเก็ก็ได้สมาทิฏี่มันม่หนักสมมาทิเมื่อละมิจฉาทิฏฐิออกสัมมาทิฏีิมันก็เกิดอะไรนันมันไดเป็นทองเอาพอแกเลยอันทองันมันเป็นกรรลายาเลยเป็นกรราได้ยาเป็นเงาของเป็นเงาของ ทำเไดๆไม่ใช่ทำทำเรืแค่คือใจแต่ใจเอาพอเข้าใจแม่หลายทีไหมฮนะแม่ได้เป็นแล้วเห็นอย่าส่วนว่าเราเห็นต้องอบรมบ่มอินซียอยู่อย่างนี้อินซีก่มอินซีอินซีมีอยู่หกอินรียมีอยู่หยกเอใจไว้ก่อน ใจเนี่ยมันไปรู้ทั้งอดีตอ น, นาคต ร, รู้ได้ทุกอย่างส่วนห้าอย่างนั้นมันรู้ได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นธาตากระทบกับรูปมันจึงจะมีอาการขึ้นมาอ่นี่ใบทำห้าทำสี่อย่างที่ทำให้เราเป็นอริยะบุคคลตลบให้ฟังนะ ่า่หลุมให้ฟังแล้วก็จะให้พักชักยกหนึ่งก็จะพาเอาเอกยกหนึ่งได้มาแล้วกินเฮียนสิงนสั้สนปลาหลูกว่าเมี่ยกปาพ้อมมาแล้วออกขั้ดหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมล่ะอ่านี่แหละสรลุปแล้ว่ทำตีอย่างที่นกตาทาั้นจริงที่ทำให้เป็นพระโสดาบันได้แก่ กัตถาศีลญาคะปัญญาเหว่งเป็นไ้บันย์กัตถาจะทั้งโยต์นะทั้งโยต์คือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งโยต์มีอยู่10อย่างเคยได้ยินไหมทั้งโยตนะ์สิบอะฮะสักกายะทิฏฐิอะไรเหตุวิกิจิา สีลพัทปรามากรรมลาภะพยาบาทมีสังโยชน์เบื้องต่ำโอลำพยาสังโยสังโยชน์เบื้องต่ำห่างเป็นอ่ยมโอลำพยสังโยอ่าอีสังโยชน์เบื้องบนอียห ลูบลาคะอลูบลาคะมานะกุทธาจักกุทธาอวิชาเป็นสังโยชนของพระอรหันต์วันนี้เราเอาสะพ่อส3มโยชนของพระโสดาบันพระโสดาบันยะละสักยะทิฏฐิวิจิจิสาศิลพัฒน์บาลมัยเจอได้ว่าสักยะทิฏฐิอะไรอีก นักเรียนสอบผ่านกันวันนวิจิจิณาศีลพัดปรามาเพื่อจะยินบอกอ่าอ่านี่ล่ะศรัทธาจะไปฆ่าวิจิจิณาความโลเลสงสัยกับตายไปก็ศรัทธาอีนี้ กัศีลศีลจะไปฆ่าศีลพัปรมาสศีลกายดีวาจาดีใจดีศีลอริยการแตศีลเอะเข้าใจไมล่ะจะไปฆ่าศีลพัดปรามาสความงมายในศีลการลักษาศีลไม่ต้องไปลักสาอย่างอื่นรักษากายให้ดีเข้าใจไหวาจาดีใจดีเท่านี้ ก็นี่แหะไปฆ่าความโง่ความหลงเอาพืชพจปติบติวัดข้อวัดต่างๆเขาเรียกว่าโอวัดสุนัขวัดหรือไปบูชาไฟหรือเบกกาบตูกบุตาสารพร่อภูมิอันนี้เขาเรียกว่างมงายอันนี้จะไปฆ่าอันยะกกันเตศิลจะไปฆ่าศีลปะลรมาตาย ตัวยาค้าจะไปฆ่าตันีเนี้ยแน่นออกปัญญาไปฆ่าสัจยะทิฏฐิให้ดับไปก็แสดงว่าเราได้ทำสีอย่างเกิดขึ้นได้ไปทำสีอย่างนะได้ได้อ ย, ย่างนะ ศรัทธาเรามีไหมล่ะศรัทธาเด็กแงโอ้เต็มเตี่ยมแล้วศีลอ๋ออริยะกัจจศีลจำได้ไหมอริยะกัจจศีลอ่ากาคะมีไหมหลังนะโอ้ได้แล้วสามข้อแล้วปัญญาแมมล้มตามให้เสียทีคิดว่าอัน กินท้วยจะมาอินทัศนีแทนอะไวันนี่แทนได้หรอเรานาะพาได้เยอะถ้าเราได้อย่างนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันนะปัจจารีลจาธปัญญาพระโสดาบั น, นแยกออกเป็นสาม องที่แรกก็ศรัทธาศีลเข้าใจไหมองที่สองก็เพิ่ม่วงตายังรมอง์ที่สามก็ลกกะกกิรยสิทธิเอาวันนี้ก็ได้พูดธรรมมาให้เราท่านทั้งหลายฟังอพอหอมปากหอมพอพอแก้ความโง่ความหลงนิดหน่อยนะเป็นฉลองวันเกือเจ้าของด้วย เอาเอาขอยุนตีลมเตียงเท่านี้จะก่อนช่วงนี้เนาะเอวังสาุให้ให้เป็นพักเก็บอริยบทสักหน่อยนะ้ึือมารวมกันอีกเมื่อนี้เอาไปทอดเมื่อไม่ยันหน่อยไปเมื่อไม่ยันหน่อย